น้ำใสเนี่ยเราสามารถเห็นอะไรได้หลายๆอย่างเห็นปลาเห็นเต่าเห็นต้นไม้เห็นสิ่งที่อยู่ในน้ําเห็นแม้กระทั่งตัวน้าเองใสอันนี้คือสภาพของน้าที่ใสแต่ว่าท่าน้าที่ขุ่นเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแต่ความขุ่นของน้ําแม้ว่าน้าแท้จริงนะก็ยังมองไม่เห็นเปรียบเหมือนอย่างกระจิตเรา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 ทุกพรจิตเหน็ดเหนื่อยกระบวนกระวายไม่ปกติถ้าเราหัวเราะทั้งวันดีใจทั้งวันเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าโรงพยาบาลรักษาโรคภาษาได้เหมือนกันนะเพราะเป็นสมาธิผิดปกติในทางตรันข้ามถ้าจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองทุกทนหมุนหมองเนี่ยอันนี้ก็มีสิทธิจะฆ่าตัวตายได้เหมือนกันนะเพราะความผิดปกติของจิตจิตที่เป็นกลางกาง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 เราจะรักษ า, ษาจิตไม่ให้หวั่นไหวได้ในแต่ละวันจิตที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยแหละจิตที่เป็นปกติเป็นกลางจะมีความเราจะเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใกล้ๆตัวเราเนี่ยเอามาเจริญสติได้เราใช้ชีวิตของเราเนี่ยเช่นอาบน้ำเนี่ยทุกคนจะต้องอาบน้ําง่ายๆยอาบน้ํานี่ก็เจริญสติได้ สติรักษาใจให้เป็นปกติได้ในขณะที่เรากำลังอาบน้าฝึกที่จะมีสติรู้ที่เฉยไว้ก่อนอาบน้าแต่ละครั้งเนี่มีสติตามรู้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปิดฝักบัวน้ำารดมาถูกตัวเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรนะเรามีสติจับรู้ได้เลยเราไม่ต้องไปกี้รู้สุดใดสุนหนึ่งเรารู้แบบคลุมคลุมแบบ ครอบครอบกว้างกว้างไปก่อนปัจจุบันนี้เรากาลังอาบน้ำ น, นะเรามีความรู้สึกตัวหัหยรู้สึกตัวขณะที่เรากำลังอาบ น, าน้ำน้ำมาถูกตัวเราแล้วก็รู้สึกมันเย็นมันร้อนมันอุ่นมันมีความสบายมีสุขขนาดไหนเราก็รู้สึกตามมีสติรับรู้รับทราบเอาไว้แลืวมีความคิดอะไรขึ้นมาในขณ ะ, ะที่เรากำลังอาบน้ำเนี่ยแล้วก็มีสติรู้ได้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 ต้แล้วแต่เขาจะทําหน้าที่เพียงแต่ว่าเราเริ่มเล็เกๆรู้ลงไปที่ส่วนใหญบๆน้ําที่ถูกตัวมันมีความอุ่นๆเย็นๆหรือมีความสุขขนาดไหนหรือเกิดความคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็คอยมีสติตามรู้รู้ตรงไหนก็ได้รู้ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละไอ้ส่วนที่ไม่รู้นี่ก็อย่าไปสนใจมนะันสติจะเกิดเมื่อไหร่นี่เราไม่สามารถจะบังคับได้แต่เราพยายามอย่าใส่ใจไนหะ ส่ใจที่จะรู้จะถูสบู่จับสบู่ก็ให้รู้สึกตัวเอาสบู่มาถูตัวก็มิติเ ล, ล็กๆตามนะอาการที่มันนุ่มๆ อ, อ่ อ, อนๆเยน็ยนๆละลอนสุกๆทุกๆเนี่ย ท, ที่ขณะกำลังอาบน้านนะหรือมันคิดมันนึกอะไรก็คอยรู้ตามรู้เฉยๆเราฝึกที่จะรู้เฉยๆเนี่ยอาการที่รู้เฉยๆนี่แหคิดจะเป็นปกติ รู้สึกว่าจิตเนี่ยสบายสบายไม่มีเงื่อนไขอะไรไม่เครียดไม่มีแรงกดดันจากการที่เรากำลังอาบน้ำหรือการใช้ชีวิตในแต่ละวันแค่รู้เฉยๆปล่อยวางๆมันไม่ชัดก็ไม่เป็นไรไม่ชัดก็รู้ว่ามันไม่ชัดมันเผลอมาลืมไปก็ไม่เป็นไรก็มาตั้งต้นรู้ใหม่ใส่ใจอย่างนี้เรื่อยๆในแต่ละวันเนี่ย